เด็กจ้าเดี๋ยวเรากลับมาฟังหลวงๆกพันก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่คุยอะไรกันเลเงเียบๆนิดหนึ่ง น, นะจ๊ะฮาเชิญค่ะกลับนิมนต์ค่ะเราได้ดูเรื่องของที่มาแล้วนี่ถ้าเทียบระหว่างที่กับตัวร้องที่ใครชชคดีกว่ากันฮะเราโชคดีกว่าเขาใช่ไหมพ่ อ, อะไร เพราะเรามีมีแขนมีขาใช่ไหมนิกนี่ชั่วร้ายก่เราเพราะเขาไม่มีแขนไม่มีขาเขามีแต่เนองไก่ะแต่ว่าเขามีความทุกข์ไหมเขามีความติดมีความทุกข์ไมนิกมีความทุกข์ อันนี้แล้วมันก็คนเราเนี่ยเมจะไม่มีแขนไม่มีขาแต่ว่าคนเราเนี่ยสามารถจะมีความสุขได้คนที่อยากจนสามารถจะมีความสุขมากกว่าคนรวยคนที่ที่การนะก็สามารถจะมีความสุขได้เท่าเท่าเท่ า, ทาหรือมากกว่าคนปกติ เพราะความสุดของคนเราไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่ความร่ารวยฐานะชื่อเสียงไม่ได้อยู่เพื่อเป็นคนไทยคนฝรั่งมันอยู่ที่ใจตอนนี้นี่นเนี่ยฮนะเขาไม่มีแขนไม่ีขาแต่ว่า เขาสามารถที่จะทําอะไรได้ต so yeah. ั้งหลายอย่างใช่ไหมรับโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมเขากินท้าวเองคิด่าเกินท้าวเองได้ไหมได้ไหมเขากินท้าวเองได้ไหมเขาขับรถเองก็ยังขับได้เลยใช่ไหมอย่างที่เขาเล่าคนเราเนี่ยนงาจะ ัะขาดแต่บกพรองไปบางอย่างนะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้แต่งที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่าไปบนโทษนะว่าฉันไม่มีโทษฉันไม่มีนี่นะเราสนใจสิ่งที่เรามีแล้วใช้ให้มันดีเราก็จะสามารถ ทำสิ่งยากๆได้โอเคแล้ครับจ้ะแบบนี no ้แหละนะที no ่ขอนะอ่าจากคำถามถัดไปลูก no. ีกล uh ุ okay. oh, ่มไหนยังไม่มีคำถามไ้มลูกยังไม่ได้ถามเลยมนี้ไหมคะอ๋อ อ, อ๋อมีกลุ่มคุณพ่อคุณแม่แล้วกุมนี้ใช่ไหมคะจ่ะเชิญค่ะคำถามกลุ่มนี้ค่ะ ไม่หรอกนะทุกอย่างสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปทางใดทางหนึ่งก็ได้มันไม่ได้มีการวิกิตรไปลงหน้านะเหมือนกับเราขับรถนะนะถึงทางแยกเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปข้างหน้าก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราเลือก แล้วก็ขึ้นมาว่าเราทำมีเห็นเราทำตามที่เรืมกได้หรือเปล่าไม่มีอะไรที่ถูกเลี่ยงผิดได้หรืมาปลามันอยู่ที่การกระทําของเรานะมันอยู่ที่การเลือกของเราด้วยถ้าถึงแม้ถึงแม้ว่า อาจจะมีหมอไ ม, มีหมอมาทำนายว่าคุณจะเป็นอย่างโนอย่างนี้นะแต่ว่าคนที่เขาไม่คนที่เขาเนี่ยสามารถที่จะทำแล้วก็ชีวิตเขาไม่จะเป็นไปอย่างที่หมอทำนายก็มีเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูคําทํานายของหมอความทานายของหมอบอกว่าอย่างโน้นอย่างนี้นนะมันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ถูกลิขิตไว้แล้วมันอยู่ที่การกระทําของเราอันนี้แหละที่พระเจ้าดูว่า ก, กรรม พระเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าสุขหรือทุกข์เป็นเพราะการกระทำแรงดีอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่คำสอนอพุทธศาสนาใครก็ตามที่เข้าใจว่าคิดว่าสุขหรทุกข์เป็นเพราะพระเจ้าตนบันดาลหรือมีพรไม่ริษีอันนั้นก็ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นเรื่อง กรรมคือการกระทำในปัจจุบันคนเราจะสมปรทุกเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบันอย่างนิกเนี่ยนะนิกเนี่ยเขาเกิดมาเขาชคไม่ดีเขาไม่มีแขนจม่มกขาอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้เป็นเพราะว่ากรรมที่ทําไว้แต่ก่อนหรือเปล่าเช่นพ่อแม่อาจจะ ก, กินสารอาหาร กิสารเคมีบางอย่างที่ทำให้ลูกออกมาเป็นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องอดีตแต่ว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจทุบันมีต้นทุนมาอย่างไรอันนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะใช้ต้นทุนนั้นอย่างไรถึงแม้ว่าจะมีแค่ตัวไม่มีแขนไม่มีขาก็สามารถทำอะไรได้เยอะแยะสามารถจะมีความสุขได้มากกว่าคนอื่นด้วย อันนี้เป็นเพราะว่าการกระทำของนิพเองคือความพยายามของนิพนนะอันนี้เรียกว่ากรรมกรรมในปัจจุบันแต่เวลานนเนี้ยในแนวอุส า, าสนานี่เราจะไม่เชื่อว่ามีอะไรที่มีการนิพขิยเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะแต่ว่าเราเองนั่นแหละที่สามารถนิพิิดชีวิตตัวเอง อย่าไปรอให้ใครมารยุทิบินนะอย่าไปรอให้โขนหรือว่าหมอดูมาฤทธิ์ชีวิตของเรานะเราต้องยิบินชีวิตของเราเองอย่าให้ใครอื่นใครคนอื่นมาฤทธิ์ชีวิตของเราด้วยนะใครเขาใครเขาจะว่าเราอยา่างนู้นอย่างนี้ใครเขาว่าเราไม่มีทางไม่มีทางเจริญใครเขาจะว่าเราไม่มีวันที่จะ จะทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้อะ น, นั้นอย่าไปฟังเขาเพราะว่าเราได้ขิดชีวิตเราเองอย่างนิกไงนะคนที่คงมีหลายคนที่บอกว่าชีวิตของนิกเนี่ยไม่มีทางที่จะมีความสุขได้ไม่มีทางที่จ ะ, จะเจริญได้เพราะว่าผิดการแต่ว่าเขาไม่รอให้ใครมามาได้ขีดชีวิตเขาเขาไดิขดชีวิตเขาเองเขาก็เลยมีความสุขเป็นคนที่ทําอะไรได้ไหลากหลายอย่าง ขึ้นตัวเองได้อี่างที่เราเห็นตอบครบไหยโยขอทางพ่อแม่บ้างนแมคะลูกรอเดี๋ยวนะการได้เกิอเป็นพ่อแม่รูปกันเป็นการใช้หนี้เป็นการแลกการถือ การได้เกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นการใช้ที่ซึ่งกันและกันหรือไม่คะอ่าพุทธศาสน า, ามองว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้เพื่อใช้กรรมอันนี้ถ้าเป็นศาสนาอื่นอาจจะมองว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่ว่าคนเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยก็อาจจะ เป็นโอกาสสำหรับการที่จะได้มาส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกนรละกันยานเจ้าชายสิทธัตถะที่มาเกิด น, นะเป็นผู้ของอพระเจ้าสุโทธทนะและพระนางชริพาาม า, ายา น, น, นะเราก็เห็นได้ว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่เกิดมาเพื่อสร้างกรรมและเพื่อปูนกรรม อย่างพระจ้สุโธทนาตอนหลังก็ได้บรรลุธรรมเป็นาระอรหันต์เพราะว่าพขาคือเจ้าเนี่ยมาโปรดอันนี้ก็แสดงว่าเกือ้อหนืนกันไอ้คนเราเกิดมาไห้ว่าจะมารู้จักกันสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าเป็นสามีภรรยารเป็นที่น้องมันอ่าเป็นมันสามารถจะเป็นโอกาสสำหรับการ ส่งเสริมเพื่อภูกิใ น, นะไม่ใช่มาเพื่อที่จะใช้กรรมที่เคยทําต่อการแนบดีอยากให้มองอย่างนีนะ้ถ้าเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่เนี่ยเราจะไม่ย่อทอ้อเราจะไม่ท้อถอยแต่ถ้าเราบอกว่าเราเกิดมาเพื่อเราเพื่อมาใช้กรรมเนี่ยเช่น เกิดมาที่การเกิดมามาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ที่ยากจนนะถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะท้อถอยไม่ไม่ไมีความเพียรพยายาไม่คิดที่จะต่อสู้กับอุปสรรคไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวนะต้องคิดว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่ด้วย และเราเลือกได้ว่าจะสร้างกรรมดีกรรมชั่วนะมันอยู่ในการตัดสินใจของเราและคนฉลาดเขาจะเลือกที่จะสร้างกรรมดนะีมีความเพียรไม่ขอถอยไม่ยอมไม่ยอมท้อต่อไม่ยอมท้อต่อผู้สระทแล้วก็ไม่โมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะจะเป็นคนที่การหรือว่าจะ มีไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือว่าจะอยู่ในครอบครัวที่ยากจนอันนั้นให้เป็นอระสัคสำหรับการที่เราจะพัฒนาตนปรับปรุมช่วิตเราให้เจริญก้าวหน้านและมีความสุขตอนนี้คบสุกุมลมะเนอะทนี้ ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนนะคะว่าเอ๊เราจะถามคําถามที่สองดีไหมหรือเราจะเปลี่ยนคําถามอื่นได้นะคะอันนี้ลองดูที่คําถามของพวกเรานะลูกถ้าอยากถามคําถามอื่นท้า ย, ยกมือขึ้นเลยค่ะเข้ามาที่นี้กลุ่มเปลี่ยนมากลุ่มเดิมแล้วค่ะใครที่ถามแล้วอยากถามอีกได้เลยค่ะ อันนี้นี่มาถามมาอ่อโอเคค่ะเรยร้อยจ้ะประดีอันนี้เขาไม่ได้มแต่อเองทานเข้ามาเดี๋ยวต่อไปเป็นคิวของกลุ่หนู น, นะลูกโอเคจ้ะนนอ่าในเด็เดจ๋าเพื่อนๆของเราถามนะคะว่าทหารที่ค่าคนบากไว้เจคะออ ทำด้วยเกจตนาก็บาปนะการฆ่าเนี่ยไม่ว่าข่าคนฆ่าสาังไม่ว่าฆ่าด้วยเหตุผลอะไรถือว่าบาปแต่จะบาปมากหบาปน้อยขึ้นอยู่กับเจตุผลและเจตนาใช่ไหมนะคะแต่อย่างนี้มีทหารที่ฆ่าคนโดยไม่ไม่ได้เกจตนาไหมคะก็ก็เป็นไปได้นะก็ยิงปืนขึ้นฟ้ามน ดูปืนมันปุมาโดนหัวคนตายเนี่ยทหารที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเนีเยอทหารส่วนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเวลายิงปืนเนี่ยก็จะไม่ยิงปืใส่คนนะเพื่อนฮยิงออกไป้อกทางตลอดทางใหม่นะแต่ว่ามันก็จะถ้ายิงขึ้นฟ้าแล้วเกิดมีคนตายก็เปไปได้อันนี้ก็เรียกว่าไม่เกิดกันมาค่ะกลุ่มนั้นค่ะโอเคกลุ่มทั้น ะมใคระนู่่เอ่อสังเกตว่าตอนนี้เด็กๆมีหลายคนเป็นนิกนะคะขาเข้าไปอยู่ในอาสนะ ก็มีบางคนเชื่อว่ามีจริงนะแต่ว่ายังไม่เคยมีการค้นพบเปลี่ยนหน้าอย่างชัดเจนเลยมันกม็มีมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาลือกันว่ามีจริงเช่นในในแถวอิมาลายในปานเขาจะเขาก็ลือว่ามีสัตว เรือเวยื่อถิเป็นมนุษย์เรือเห่อทกย่ากใช่ไหมเป็นเป็นลิงชนิดหนึ่งซึ่งพัฒนาใกล้เคียงกับคนตัวใหญ่กว่ามีรอยเท้าแต่ว่าก็ไม่เคยเจอตัวจริงสักทีเนแต่ภาพถ่ายพยายนนาก็เหมือนกันก็เห็นแต่ภาพถ่ายแล้วก็เห็นห่างๆลางๆหรือว่าในเทเลศา์ล็อกเนสเนี่ยก็เจอมีคนบอกว่าเจอ ไดโนเสาร์ใช่ไหมลอเนสแต่ว่าก็ยัง mm hmm. ก็ยังเป็นปริศนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคงตอบได้ยากนะว่าพยานน่างเนี่ยมีจริงหรือเปล่ามันก็คงเป็นคำถามกับตัวเยนตีแล้วก็ตัวลตัวไดโนเสาร์ที่ล็อกเนสแต่เาคนเขาก็ลือกันมานานว่มัน ม, นมีแต่ว่าไม่เห็นชัดๆจา๋จาๆสักที เมืเ่อกี้เราก็ครูก็เชื่อว่ามีหลายคนไม่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของลิงที่ตัวใหญ่บ า, า, างคนใช่ไมก็อยากขออนิดนึงเนอะคุณนาเสียดายโอกาสาพวกเราอะ่ะอยากให้พวกเราฟังพอไหวไม่รู้อีกประมาณส5้านาทียี่สินาทีพอไหวไหมคะไหวแบบเอาแบบอย่างนี้เลยได้ไหมคะได้ไหมคะนะแล้วปากกันแล้วนะลูกกลุ่มนี้ไหวไหมลูก เดี๋ยวจะขออีกประมาณสองถึงสามคำถามขึ้นอยู่กับคำถามนะคะอันนี้มีคนรีบยกมือได้ครับเด็กจ้าเวลาหลวงตาุูงใจหลวงตาทำยังไงเวลาหลวงตาผู้ใจหลวงตาทำยังไงเะ้าคะยังไม่เคยถึงสถานผู้ใจแค่เครียด แค่เครียดหรือกังวล อ, อย่างแรกที่ทำเนี่ยก็คือมีสตริรู้มีสตริรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามีสตริรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยนะใการที่มีสตริรู้เท่าทันก็ลาบากตรงที่แหละที่การทำสมาธิสำคัญ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออยาวๆ ว, วางเรื่องที่เราภูมใจลงสักพักแล้วพอใจเราสงบแล้วเนี่ยจิตใจเราจะปลอดโปร่งความุูมใจก็จะทุเราเบาวางลงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมองเห็นทางออกเราุูมใจเพราะว่ามันไม่มีทางออกมองไม่เห็นทางออก ทางออกมีแต่มองไม่เห็นแต่พอเราใจสงบเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นทางออกหรือว่าปล่อยวางได้วิธีหนึ่งที่ช่วยได้มากคือสมัยที่ยังเป็นเป็นคารวาสเลยนะเวลาพรุ้ใจมากๆเนี่ยลองพอได้ลองสักพักเลยเพราะนะตื่นช้าขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมา ลัวรางจามันจะมีขึ้นก็ทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงที่จ ะ, ะฟันเสาประสรทต่อไปแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วความกุ้มใจเนี่ยไม่จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าได้เรียนรู้วิธีการปล่อยวาง น, นะรู้วิธีการปล่อยวางแล้วก็ อีกอันนึงที่ที่ช่วยแรกคือการที่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจเห็นเห็นว่ามันของผู้นี้มันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราพุ่งใจเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่เคยอยู่นานเลยถ้าเราไม่ยึดติดถึงมั่นนะมันก็ปล่อยมันก็ไปของมันเองปัญหาคือเราไปยึดติดไปแบกเอาไว้มันก็เลยค้างคาอยในใจ ถ้าเราปล่อยวางแล้วก็ทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเราก็จะภูมิใจน้อยลงเอาไปลองใช้ดูบ้างไหมลองดูนะก็กลับเรียนถามต่อเรื่องความภูมิใจของเด็กสมมติว่าสมมติว่าพ่อแม่เด็กๆทำบางอย่างให้พ่อแม่โกรธแล้วก็ ห, หูดหิบพอพ่อแม่พูดหรือบน เด็กก็ใส่หูฟังเลยบอกจะได้ปล่อยวางงนี้ของลุงคิดว่ายังไงคะอั น, นไม่ได้ปล่อยวางอันนั้นมันเป็นการหลีกหนีหลีกหนีไม่รับฟังไม่รับรู้น ะ, ะมันจะต้องค น, คนฉลาดที่นะเขาจะเขาจะฟังเขารู้จักฟังนะ ฟังอย่างไรเราถึงจะไม่โกรธฟังอย่างไรเราถึงจะไม่ทุกขนะ์เวลามีคนตำหนีเราทำไงเราถึงจะไม่โกรธนะอันนี้ต้องต้องฉลาดแต่ให ม, ม, ม่เนี่ยฟังไม่เป็นนะก็อาจจะต้องเอามืออุดหูหรือว่าทำเป็นไม่ได้ยินนะแต่ว่าอันนั้นมันยังไม่ใช่วิธีการที่ที่ดีมันเป็นแค่ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ แต่ว่าคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะรู้จักฟังแม้จะเป็นคำตำหนิคำทักท้วงยิ่งพ่อแม่พูดเนี่ยยิ่งต้องฟังใหญ่เพราะว่าพ่อแม่พูดด้วยความปรารถนาดีอาจจะมีอารมณ์เกลียวบนบ้าง น, นะแต่ว่าถ้าเราอดกลั้นนะถ้าเราตั้งสติได้เนี่ยเราจะไม่ทุกข์มี มีมีเด็กคนหนึ่งนะชื่อประวาลประวานเนี่ยอายุสั 3, 4, กสี่ห้าขวบเล็กกับพวกเราอีกนะเป็นผู้ชายวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็ต่อว่าประวานประวาลปกติประวาล น, นี่จะเขียงแม่ประวาลจะชอบเขียงแม่ แต่ว่าวันนั้นเนี่ยปาวานนั่งฟังยืนฟังปาวานไม่เขียงเลยฟังพอแม่พูดจบปาวานก็เดินเดินออกไปเลยแม่แปลกใจไอ้ปาวานทําอะไรเนี่ยก็เลยเดินตามแล้วก็ถามปาวานว่าจะไปไหนปาวานตอบว่าจะไปสงบสติอารมณ์ ปาวายเขารู้ว่าตอนนั้นใจเขาเป็นทุกข์แลวเขารู้ว่าถ้าใจเป็นทุกข์เนี่ยวิธีแก้ทุกข์ก็คือต้องทำใจให้สงบปกติเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ในีองพ่อแม่ว่าถ้าไม่ถูกใจก็เถียงกลับพอไปคิดว่าคามพูดของแม่เนี่ยทำให้เราทุกข์ก็เลยโกรธ ก็เลยก็ยตอบโต้โต้เถียงแต่ประวันเขารู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ใจเขาความทุกข์ ม, ม่ได้อยู่ที่คำพูดของแม่แตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปหาทางสงบสติอารมณ์เพื่อให้หายทุกข์แต่เด็กเนี่ยบางทีคิดว่าจะแก้ทุกข์ด้วยการตอบโตนะ้โต้เถียงก็ยิ่งทําให้เกิดความทุกข์มากขึ้น พราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ฉลาเนี่ยเขาจะเขาจะรู้วิธีแก้วิธีแก้ทุกนะใครพูดอะไรมาเนี่ยนะเขาจะรู้เขาจะหาทางที่จะเขาก็จะรู้ว่าความทุกข์มนอยที่ใจเขาไม่ได้เป็นเพาะคนอื่อันนี้เราก็ถ้าลูกๆนี่นะลองทำํำลองทําลองเอาไปใช้กับตัวเองก็ดีนะ มันจะได้ช่วยทําให้ไม่เกิดการทะเลาะบบาแ้งกันเพราะว่าถ้าหากว่าลูกเนี่ยไม่มีสติเทียงแม่นะแม่ก็ยิ่งโกรธก็ยิ่งเกิดเรื่องราวร้อนแรงมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าลูกเนี่ยตั้งสติได้บางทีก็ช่วยทําให้แม่เนี่ยได้สติขึ้นมานะ ก็แทนที่จะต่อว่ากันด้วยอารมณ์นะก็ก็จะมีสติพูดคุยกันอย่างมีสติมากขึ้นครับคนนี้ยกมือหลายครั้งเลยนะครับขอโทษด้วยครับผ่านี like, er ้ะละครับทนะไม่ไน้มาแล้วคพากลั ทำไมพระไมใส่รองเท้าคะที่เก่งบ้านเรื่อนี้ก็ใส่รองเท้านะแต่ว่าที่ไม่ใส่รองเท้าเพราะว่าพระไม่อยากใส่ไม่ใช่มันเป็นธรรมเนียมของคนสมัยก่อนคือพระเนี่ยนะปฏิบัติตามระเบียบของคนสมัยก่อนคือพุทธศาสนาเนี่ยมีอายุมาตั้งแต่สองพปีมีอยุเมื่อสองพันตั้งมาเมื่อได้สองพกร้อยปีมาแล้วนะ เครื่องแต่งกายของพระเนี่ยจะเป็นการแต่งกายตามประเพณีเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ใส่รองเท้ากันสมัยก่อนไม่ใส่รองเท้าสมัยก่อนเนี่ยนะไม่มีแม้แต่กางเกงนะังนั้นก็จะใช้วิธีการการผมผ้าแบบขนะุน สมัยก่อนเนี่ยไม่มีอะไรต้องหลายอย่างเหมือนกับที่เราเห็นในปัจจัปัจจุบันนะรวมทั้งไม่มีการเกงในด้วยเนี่สมัยก่อนนี้คนไทยเพิ่งมาใส่การเก่งในเมื่อไม่ถึงร้อห้าสิบปีวันนี้เองนะสมัยก่อนเนี่ ย, ไ, ยม ไ, มไม่คิดเนยอนะก็จบอกว่าสมัยก่อนหลุงลุงเนี่ยนะมาเริ่มใส่การเก่งในตี่สบสีนะ ตอนเด็กๆเนี่ยที่เก้าขวบสิบขวบก็ยังแก้ผ้าอาบน้ําแก้ผ้าว่ายน้ําอันนี้นี่สมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะเด็กๆเล็กๆนี่เขไม่ใส่เกงในกันหรอกมาใส่เมื่อตอนเป็นวัยรุ่นแล้วแล้วถ้าเป็นเมื่อถ้าห้าสิบปีทีแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ใส่เพราะว่าประเพณี้าการใส่เกงไนมันไม่มีมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเสื้อน่าทักเสื้อเนี่ย เื้อเนีนะสองร้ปีที่แล้วพระราชาก็ไม่ใส่เสื้อนะรัชการที่สามเนี่ยเวลาออกรัชการเนี่ยไม่ใส่เสื้อท่นบอกว่าจะใส่เสื้อเมื่อไหร่เมื่อใส่เสื้อเนี่เขาบันทึกไว้นะรัชการที่สามเขานั่งกล้าจะใส่เสื้อเมื่อเมื่อนมเนี่ยโคตรนมเนี่ยโคตถึงจะเริ่มใส่เสื้อเข้าในไหมคือไอ้โวลนมเนี่ยโคตแสดงว่าหนาวแล้วใส่เสื้อได้แล้ว นี่พระราชานะดน้คนธรรมดาเนี่ยก็ไม่ใส่เสื้อหมอนกันนะเพราะนั้นก็ต้องผู้ถึงเกงใ น, นะนเกงในนี่เป็นของที่พึ่งมาสมัย100ร้อยกว่าปีนี่เองสมัยก่อนเนี่ยกินข้าวด้วยมือไม่มีซ่อมไม่มีช้อนนะเป็นกันทั้งเป็นกระทั่งโ่วโล ในวันก็ไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ตทางในยุโรปนะในยุโรปเนี่ยในวังก็ไม่ใส่ไม่ไม่กินไม่กินช้อนไม่ใช้ช้อนไม่ใช้ซ่อมนะใช้มือเป็นกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นในประเพณีเนี่ยอย่างประเพณี้เนี่ยพระเนี่ยสืบทอดมานานกับคนดื่เราก็เลยเห็นว่าพระเนี่ยแต่งตัวเหมือนคนอื่นเขาแต่ที่กินเนี่ย พระนี่เราแต่งตัวแบบนี้มาตั้งสองพนถึงร้อยปีแล้วพรานี่ไม่มีกางเกงใส่นะไม่มีเสื้อใส่แบบทุกเวลาเพราะสมัยก่อนไม่มีเสื้อไม่มีกางเกงไม่มีเสื้อแบบเป็นแขนเนี่นะไม่มีอ่ะกางเกงก็ไม่มีนะมันต้องมาดีระยะหลังแล้วรองเท้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงรองเท้านี่ก็ไม่มีเหมือนกัน จะมีก็เฉพาะอย่างพวกพระราชาเนี่ยใส่รองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะการแต่งกายของพระก็เลยอาจจะไม่เหมือนคนสมัยนี้เพราะว่าอย่างนี้โลกมันเกลี่ยไปเยอะแนละ้วแต่ว่าพระนี้ก็ยังไม่เกลี่ยน ถามเหรอลูกถามไหมคะอาถามเลยลูกถ้าพระจัดต้องผู้หญิงแล้วเป็นยังไงเจ้าคะก็มีวินัยว่าห้ามพระแต่คล้องผู้หญิงด้วยด้วยความกำหนักด้วยด้วยด้วยจิตที่มีราคานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ แต่ถ้าเกิดว่าแต่ต้องสัมผัสด้วยความไม่ตั้งใจก็ไม่ไม่เป็นอะไรมันอยู่ที่เจตนาค่าคำถามสุดท้ายค่ะ เดี๋ยวลองดูนะคะว่าหลวงลุงตอบพวกเราย่างไรนะค ะ, ะคำถามนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับคําถามว่าชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรโลกเนี่ยมันมันเป็นก้อนวัตถุใช่ไมัมจแตกมาจากดวงอาทิตย์หรือว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีแต่ธาตุนะคามก้อ น, นะอนเนี่ย ไฮโดรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสแมกนีเซียมมันก็มีคำถามในวงนิยาศาสร์ว่าไอ้ธาตุที่ไม่มีชีวิตนี่เนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรอันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ชัดเจนนะบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมาจากนอกโลกแต่บางคนบอกว่า ชีวิตมันเกิดจากการที่สารเคมีธาตุต่างๆที่มันีอยู่ในโลกเนี่ยมันมาประกอบกันจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเซลล์เล็กๆ1เซลล์จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ยากที่จะมองต่อไปว่าจากสิ่งที่ไม่มีจิตใจ ก็วิวัฒนาการจนเป็นสิ่งที่มีจิตใจได้ใช่มมันเป็นมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคำถามเดียวกันสิ่งที่ไม่มีชีวิตกลายมามีชีวิตได้อย่างไรจากคาร์บอนจากแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยมันมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรถ้าเราตอบได้เราก็จะอธิบายได้หมือนกัว่าทำไมสิ่งที่ไม่มีจิตใจ มันมาก่อให้เกิดสิ่งที่มีจิตใจที่เราเรียกว่าวิญญาณไดนะ้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีมนุษย์นะก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งมันมีสิ่งชิพมันมีสิ่งชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกหลายหลายพันล้านปีก่อนที่จะมีมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์เรายุปัจจุบันเนี่ย ก็อายุแค่สองแสนปีโมเขาเรียกโฮมอสเซปียนสมัยที่เราแยกมาจากแยกมาจากควพมขรุขระลิงก็มาณ6ล้านปีที่แล้ว6ล้านปีที่แล้วที่เราเริ่มแยกออกจากความขรุขระลิงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายพันล้านปีโลกที่มันมีอายุประมาณ 4,500 ล้านปีก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายพันล้านปีก็มีชีวิตแล้ว ในรูปตั้งแต่รูปของสัตว์เซลล์เดียวหลายเซลล์จนกระทั่งกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นพืชกลายเป็นสัตว์ก่อนที่จะมีมนุษย์คนแรกเนี่ยมันมีชีวิตก่อนมันมีชีวิตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยหลายพันล้านปีแล้วจิตเนี่ยมันก็ได้มีอยู่เฉพาะในมนุษย์จิตเนี่ยมันมีหรือวิญญาณมันมันมันไมไ่มีอยู่เฉพาะในมนุษย์จิตนี่มันมีอยู่ในสัตว์ด้วย นะแต่สัตว์ประเภทไหนเราไม่รู้นะว่ามีสัตว์ทุกชนิดหรือเปล่าที่มีจิตมแมลงมีจิตไหมเราไม่รู้แต่ที่เรารู้แน่คือว่าจิตเนี่ยมันมีมาก่อนที่จะมีมนุษย์เหมือนกับชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมานานก่อนที่มีมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอไอ้เรื่องการที่จะมีจิตก่อนมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามาก นะจิตนี้มันเกิดขึ้นเมื่อบรรลุวิวัฒนาการซับซ้อนทางสมองหรือว่าทางทางร่างกายจนกระทั่งสามารถจะทำให้เกิดจิตขึ้นมาได้อย่างที่บอกไปแล้วนว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้ฉันใดสิ่งที่ไม่มีจิตมันก็สามารถจะครุงแต่งจนเกิดจิตขึ้นมาได้ เรื่องเดียวกันถ้าตอบได้ว่าสิ่งไม่มีชีวิตท่าต่างๆมาการเป็นสิ่งมีชีวิตได้ย่งไรเราก็คงจะตอบได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีจิตเนี่ยคือวัตถุเนี่ยมันประกอบกันจนกลายเป็นจิตได้อย่างไรมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เรายังหาคําตอบได้ไม่สมบูรณ์ ไม่รู้เด็กเข้าใจหรือเปล่าก็การรู้ตรงนี้นะคะนนในขณะที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นนั้งครูแล้วก็เป็นทั้งพ่อแม่แล้วก็ก็เคยอยู่แบบเดียวกันนะคะตอนนี้นายเข้าใจว่าก็จะมีพ่อแม่หรือว่าครูบางท่านที่ในขณะที่อยู่ในห้องนี้ก็รู้สึกว่า เด็กๆไม่นิ่งเลยเด็กๆไม่ฟังเลยแล้วบางทีก็ไม่สามารถที่จะฟังขุงลุงได้แต่ก็ไปไปอยู่กับเด็กๆนะคะลุงคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วอยากบอกอะไรพ่อแม่คนะพ่อแม่รับรู้คะพ่อแม่ที่ที่อยู่ในห้องนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าลูงไม่ฟังเลยทําไมลูกเป็นแบบนี้ลุงก็ยัจะมีว่าทาไมเด็ก ๆ, ๆไม่ฟังเลยเด็กๆไม่นิ่งเลย เขธรรมดาธรรมดาอาตมาตอนตอนเป็นเด็กนะเวลาขึ้นที่ประชุมแล้วก็มีมีอธิการมาพูดเี่ยที่ีผู้ใหญ่เขาพูดก็ถ้าถ้าถ้าไม่กลัวไม่เลียวนะก็จะคุยคุยกับเพื่อนก็ธรรมดาคือว่ามันเป็นสิ่งที่เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่มีความสนใจสิ่งที่เราต้องทําคือว่ชวนทาให้เขามีความสนใจขึ้นมา แมาแต่มาก็เป็นธรมมนธรมดาเด็กเคยฟังมีธรรมดีมากใช่ไหมปัญหาอยู่ที่ว่าสิ่งที่เล่าสิ่งที่พูดเนี่ยก็ต้องชวนให้เขานี้มีความสนใจและก็สิ่งที่ดีสือว่ายทำให้เขา ม, มีส่วนร่วมคือถ้าเด็กเนี่ยจะให้เขาฟังอย่างเดียวเด็กคงฟังได้ไม่นานก็ตามวิทยาศาสตร์ขนาดผู้ใหญ่น 4-5 นาทีพอฟังถ้าเกิน 4-5 นาทีก็ไม่มีสมาธิแล้วเด็กสมาธิจะต่ำกว่านั้น เพนที่ให้เด็กน่ายนั่งฟังเนี่ต้องให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมเด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้ทํกกากิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ผ่านกิจ ก, กรรมจะดีกว่าหรือว่าตั้งคำถามคุยกับเด็กนะการการที่จะมามาพูดบนเวทีแบบนี้เนี่ยอาตมาว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กเขาจะฟังก็ไม่ฟังบ้นะแต่ถ้าเกิดเขาฟังนิดหน่อยเข ก, ก็อาจจะได้อะไรไป วิธีการแม้วิธีการวิธีการวิธีการสื่อสารด้วยการพูดให้เด็กฟังเนี่ยเป็นวิธีการที่อาจจะเรียกว่ายังไม่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียพอมันต้องใช้วิธีที่เรียกว่า interactive interactive i n t e r a c t i v e อร์แอคที่มันไม่ไม่ต้องใช้อะไรทั้งทั้งใก็ได้ไม่ต้องใส่คอมพิวเตอร์ในตัวใส่ครูกับเสียงให้เด็กมีส่วนร่วม ยกตัวอย่างเนี่ยเวลาที่เราไปนในเรื่องการการสอนผ่านคำพูดซึ่งมันอาจจะไม่ดีพอเราเคยได้ฟังที่ไมเรื่องครอบครัวหนึ่งเนี่ยที่น้องทะเลาะกันที่น้องสี่คนทะเลาะกันพ่อเนี่ยก็พยายามสอนลูกให้สามัคคี จากลูกมานั่งฝั่งแล้วพ่อก็ออสอนพ่อประเทศเรื่อสัมผัสคีลูกก็ไม่สัมผัสคีเลยสักทีและวันนึงพ่อให้ลูกเนี่ยแต่ละคนไปหากิ่งไม้มาใช่ไหมไปหากิ่งไม้มาแล้วก็แต่ละคนหักกิ่งไม้หักไหมหักกิ่งไม้หักไหมแต่ละคนหักก็หักใช่ไหม ตอนนี้พ่อบอกว่าแปเกิ่งไม้มาใหม่และเอากิ่งไม้ชั้นสี่กิ่งนี้มามัดรวมกันแล้วก็ให้แต่ละคนหักตอนนี้หักได้ไหมไม่ได้พ่อถามว่าทําไมถึงหักไม่ได้นักเรียนตอบว่าไหนมันแข็งอ้าวทีแรกหักได้ทําไมตอนหลังหักไม่ได้มันแข็งเพราะว่ามันรวมกันใช่ไหมมันก็แข็ง ไม้หนึ่งกิ่งหักได้ไม้หลายกิ่งหักไม่ได้พ่อก็ถามลูกว่าได้แง่คิดอะไรบ้างนะลูกก็ตอบออกเป็นเพราะว่าไม้นี่มันรวมกันมันก็แข็งแรงแล้วพ่อก็เลยถามว่าแล้วมันไม้นี่กับเรานี่เหมือนกันไหมลูกก็ได้คำตอบเออไม้ก็เหมือนกันนะ ถ้าเราสามัคคีนะก็เข้มแข็งถ้าไม่สามาคัคคีกันก็มือนกับไม้ตอนนี้เด็กสี่คนพอได้พอได้ทํากิจกรรมนี้เด็กก็เริ่มเข้าใจโลกสามาคัคคีความหมายอย่างไรงมีความสัมพันธงไรแล้วเด็กก็เริ่มสามัคคีกันี่น้อง ก, ก็เริ่มสามัคคีกัอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าพ่อเนี่ยเขาเขารู้ว่าการเทศการสอนเนี่ย มันไม่ได้ผลเท่ากการที่ให้เด็กก็ามาเรียนรู้จากประสบการณ์อันนี้เรียกว่า i n t e r a ร t i v e ใช่เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพราะทำมาจามาคิดว่าเนี่ยคบนอนลน์เขาก็รู้มานานแล้วว่าไอเสตสอนที่มันมีเดืนอน้อยจนต่อจะให้เด็กเข้าได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็จะเรียนรู้เอง